มาคุยกันเรื่องหลวงพ่อปานมรณาภาพหรือวถูกอันตรายก็ปรดีเสียงของคนที่พูดมันก็จะมีสภาพแบบเดียวกันและเวลานี้ก็มีอายุไล่เลี่ย ก, กันกับอายุของหลวงพ่อปานเมื่อเวลามรณาภาพหลวงพ่อปานมีมรณาภาพมาอายุหกสิบสี่ปี เวลานี้ธรรมาเองก็ใกล้เข้าไปเต็มทีแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทมรณะภัยคืบคลำเล่นคืบคลานเข้ามาเล่งงานอยู่ตลอดปีลาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งปีพศออ2518ปีนี้ต้องใช้น้ำเกลือเกินกว่า 20,000 ลิตรเอ 22,000 ซีี เป็นอนุว่าชีวิตที่จะอยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะญาติเท่านั้นเมื่อมาพูดถึงเวลาการบรัณาภาพของโคลปานบาระแรกก็มาคิดถึงตัวเองว่าครูบาอาจารย์ซึ่งมีความดีมีพระคุณใหญ่เวลานี้ท่านบรัณาภาพไปแล้วาอาตมาเองก็กำลังจะตามไป แต่ถ้าว่าในไหน ๆ, ๆยังมีลมปราณอยู่ก็อย่าขอเทอทุนคุณงามความดีของครูด้วยชีวิตทั้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งคำสอนคำแนะนำก็จำไว้ได้ทุกอย่างสิ่งที่รู้ว่าปานสั่งไว้อย่างไรปฏิบัติทุกอย่างตามนั้น าการเช่นใดที่หลวงพ่อปาน่ิยกรไว้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีอะไรผิดพลาดเลยยำมาได้ทุกอย่างและก็ตรงทุกอย่างฉะนั้นหลวงพ่อปานซึ่งมีคุณความดีกับบรรดาประชาชนทั้งหลายไม่จำกัดชั้นวรรณะไม่จำกัดหมู่บุคคล ยเป็นความดีเหลือล้นที่อาตมาจะติดตามได้ยังเป็นพระที่ประสบกับเคาะกรรมร้ายจะถูกบังฟันสำหรับอาตมานี้นั้นซึ่งมีบุญวาสนาบารมีไม่เทียบเคียงกับหลวงพ่อปานได้ไม่เหตุร้ายทั้งหลายเหล่านี้จะไม่มีกอาตมาหรือนี่อาตมาคิดเสมอวันดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> คิดเสมอว่าเหตร้ายมันจะต้องมีแต่ก็ถือว่าเป็นกฎของกรรมเราสร้างความดีมาความดีก็สนองให้ได้ดีถ้าเราทำความชั่วมาความชั่วก็สนองให้เดือดร้อนแต่เวลานี้อาตมาเป็นคนใจด้านเสร็จแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชีอว่าทุกภัยใดๆไม่มีความรู้สึก ถือว่ามันเป็นกฎธรรมดาเมื่อความเกิดมีขึ้นความแก่มันก็ตามมาโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตามมาการขัดข้องในอารมณ์มันก็ตามมาความแพ้รจจากของรักของชอบใจมันก็ตามมาแล้วก็ความตายในที่สุดมันก็ตามมาทีหลัง <c oughs> การที่เราเจะตักน้ำไปลดหัวต่อให้มันซึมเข้าไปข้างในย่อมเป็นไปไม่ได้ฉัน้นใด เราจะทําบุญทํากุศลประการใดก็ดีที่จะลบล้างความชั่วเดิมของเรานี้มันก็เป็นไม่ได้เช่นั้นฉะนั้นถ้าว่ากรรมอันใดที่ถูกการย่ยํายีได้เหตุใดก็ตามเกิดขึ้นอาตมาก็นึกเสมอว่านั่นมันเป็นอกุศลกรรมเดิมให้ผลที่เราเป็นคนไม่ดีสร้างความชั่วเข้าไว้ เหตุร้ายมันจึงได้สนองคุณแบบนี้ที่พูดมันนี้ไม่ใช่หมายความถึงว่าใครเขาเปแกล้งไม่ใช่อย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องให้น้ำเกลือเกินกว่าพันซีซีนี่มันก็ได้กัาการโาครคภัยไข้เจ็บที่มันรบ ก, กวนกรรมันนี้อาตมาทราบว่าเป็นโทษุ้งปานอาธิบาต ดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าและมีความไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดทําลายร้ายร่างกายสัตว์และบุคคลกรรมที่เป็นอกุศลจะสนองผลให้รับความเดือดร้อนอย่างอาตมาและเวลานี้อาตมาปล่อยให้กายมันเดือดร้อนเท่านั้นใจไม่ยอมด้วยแล้ว พอใจมันด้านซิเต็มทีจำคำว่าพุโทโธธรมโมสังโฆที่หลวงพ่อปานพูดทรงความดีสอนไว้เวลาจำนี้ได้เวลานี้จำได้ขึ้นใจแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้ว่าคุณความดีขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทำให้ใจสบาย ตอนนี้ไปก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมารับฟังเรื่องราวของพ่อปานต่อไป <c oughs> ท่านคุยให้ฟังอาจะมาไม่ทันท่านเวลานั้นถ้าจะมาเราจะขอรับรองว่าคำพูดัวดีน้องจะเป็นตัวน้งสีก็ตาม ผิดไปจากอาตมาพูดให้ฟังและท่านจะกรมสื่อสารตท่อออกคือท่านพลอากาตตีหมอ่อมและเยาวงเสริมสุขสวัตรเป็นผู้ขันลอกหรือขันขนะของท่านก็ตามอาตมาไม่ต้องการให้ใครมารับรองหนังสีของอาตมาเพราะอาตมาพูดเองก็ขอรับรองเอง มีคนทั้งหลายก็ถามว่าเรื่องนี้ที่พูดไปหลายๆลเรื่องก็ตามมีใครรับรองบ้างความจริงเรื่องประเภทนี้ไม่น่าจะเป็นคนใจใครแมะใครแล้วเขาจะมารู้เราพูดจริงพูดไม่จริงแล้วพูดจริงพูดโกหกจะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านเขามารับรองมันก็ไม่เป็นผลดีในเมื่ออาตมายังมีชีวิตจุดนี้อาตมารับรองผล หาก ว, ว่าบรดาท่านพุทธศาสนิกชนสงสัยเรื่องอะไรมาถามได้ทุกเวลาอีนี่ต้องวงเล็บประสักนิดหนึงเวลาที่รับแขกเเวลารับแขกก็หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเรื่ม บ, บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นเพราิดการงานมันมากเลยเกินบรรดาท่านพุทธบริษัทธุรการภายในธุรการภายนอกมันหนัก เวลาในเพนเอาเวลาไว้ทางานตอนเย็นพักผ่อนร่างกายตอนนุ่มขามสอนพระกรรมาฐานบางวันเดินส่วนจะล้มหน้ามดืดร่างกายเกือบจะทรงไม่ไหวแต่ว่าแข็งใจสอนพระกรรมาฐานและบางวันมันก็ลุกไม่ไหวเหมือนกันบรรดาท่านผู้บริษัทธ์ทุกท่านอย่างวันนี้เป็นต้น <c oughs> ซึงตรงกับวันที่3สิงหาคมพศ2515ตอนกลางวันพันตำรวจเอกพิเศษสมศักดิ์สืบสงวนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตารวจหรือท่านผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตารวจได้ให้น้ำเกลือแต่เท้ว่ากลางคืนเขาก็าเจริญกมาถ้วยก็งูไม่ขึ้น ต้องปล่อยให้บรรดาท่านพุทธบริษัททำกันไปตามลำพังนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชิอว่าขันห้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้นุ้มพ่อปานท่านก็สอนไว้เสมอว่าเรื่องของขันห้านะลูกเลย <c oughs> จงอย่าสนใจมันมากนักทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าขันห้ามันก็เป็นขันห้า ที่เรียกว่ากันห้ามันเป็นกันห้าก็เพราะว่ากันห้าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันนำมาด้วยก็คือความแก่ความทุดโทรมความป่วยไข้ไม่สบายความทุกข์และการทัด่าจ้ของรักของชอบใจประสบอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาและ ม, มีความตายไปในที่สุด ท่านสอนแบบนี้อรตมายังจําได้บอกว่าก่อนที่จะภาวนากนมาฐานบทใดเขาตามควรพิจารณาขันให้เห็นว่าเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามาสลายตนถ้าเราเกิดมาเป็นคนจงอย่าเมาในความเป็นคนจงคิดว่าเราจะตายเป็นผีอยู่ตลอดเวลา แล้เรื่องความตายนี้ไม่ต้องมีใครมาบรรดาลให้เราตายเราก็ตายของเราเองได้ไม่ต้องง้อใครเรื่องความตายนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายเวลานี้อาตมาก็มีอายุการผ่านวัยเข้ามาใกล้กับอายุของข้า่านแล้วอาตมาก็มีความทราบชัดอยู่เสมอว่าคงจะอยู่กับบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ไม่นานนะัก โดยย่อพาออย่างยิ่งปีพศ .2518 นี่ก็เป็นเรื่องหน้าหนักใจยังได้เร่งรัดทาการก่อสร้างวัดเป็นการใหญ่จะให้เสร็จภายในสองปีวัดที่จะสร้างขึ้นมานี้ก็เป็นการสร้างสนองคุณงามความดีของข้าปานวัดบานองโคซึ่งเป็นบรภาจารย์ ก็ไม่มีอะไรจะตอบสนองความคุณความดีของท่านในวาระสุดท้ายสิ่งที่หลวงพ่อปานรักที่สุดนั่นก็คือการเจริญสมถะกรรมฐานมิปเสนากกรรมฐานอาตมาเองก็ส่งความดีประเภทนี้ได้อย่างงูงปูปลาปลาแต่ว่าเป็นงูตายปลาตายไม่ใช่งูเป็นปลาเป็น มีความรู้อยู่บ้างในแค่หางเอยียงก็พยายามสอนพุทธบริษัท ต, ตามที่ความรู้จะพิงมีและอาศัยบุญบา ร, รมีขององค์สมเด็จพระชินาสีบริมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นสำคัญยังได้เต็มใจสอนกับพระบรนดาลท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความประสงค์จิตจำนองก็มีอยู่เพียงว่ามีความรู้แค่ไหนก็สอนแค่นั้น ไม่ทําตนเข้าไปวัดบุญบารมีพระองสมเด็จพระสงร์ทันบรมศาสด า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พูดแบบนี้พูดอย่างที่หลวงพ่อปานท่งสอนหลวงพ่อปานท่านสอนไว้บวชจงตั้งใจคิดไว้เสมอว่าเรายัางดีไม่เท่าพระพุทธเจ้าในความดีพระพุทธเจ้าเหนือเราหลายแสนล้านนัก เรามีความดีไม่ได้หยุดหนึ่งในหลายแสนล้านซึ่งเป็นความดีของพระองค์นี่ความไม่ประมาทในชีวิตการเคารพในองค์สมเด็จโตธรรมสามิตรหุมพ่อปานมีความเคารพมากท่านเล่าให้ฟังตออไอวาดหลังจากหายจากการโรคนั้นแล้วด้วยอาศัยอาจารย์จากอำเภอบางบาน <c oughs> มีความรู้ในเป็นแพทย์แผนโบราณมีวิชาอาคมมากได้มารักษาแผลภายในของท่านใน ห, หายไปหรือ่าแผลที่อาสานั่งท่าใสารักษาได้ยอดไม้คือกิ่งไม้สามกิ่งเอาใบอ่อนๆมาต้มเข้าแลว้วก็เสกหรือว่าเสกก่อนแลว้วก็ต้มฉันก็ไปเป็นหม้อดเดียวแผลภายในก็าหาย ท่านบอกว่านับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าลมความตายอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อสิ้นลมปราณแล้วอะไรก็ตายเมื่อนั้นเมื่อหายจากการไข้แล้วจึงได้เร่งรัดทาความดีหนักขึ้นเพื่อสงเคราะห์บรรดาประชาชนหลายในการรักษาโรคบ้าง มีใครเค้าอดอยากที่ไหนก็นำมาหายการบริโภคไปแจกโดยบอกบุญกบับบรรดาท่านพุทธบริษัทเททเช่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขตอำเภอสามชุกกับเขตอำเภออะไรเดิมบางสองอำเภอ <c oughs> ปีหนึ่งมีความอดอยากมากพระไม่มีกระถินจะรับต้องพ่อปานไปทอดกระถินสิบเจ็ดวัด แล้วก็ น, นํำข้าวปลาหารไปแจกก่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมี้ข้าวไปเกือบสามสี่สิบกวนข้าวสารข้าวของท่านไม่มีแต่บอกบุญบรนดาท่านพุทธบริษัตททุกท่านติมนี่แล้วแบ่งกันไปตามสมควรอาหารปลาจืดปลาทะเลน้ําเข็มน้ําจืดก็มีเปมากพระบรรดาท่านพุทธบริษัท ทางด้านเหนือขึ้นมาอยู่น้ำํำจืดก็นําาปลาน้ำํำจืดที่ตากแห้งเค็มแล้วมาถวายสําหรับลูกศิษย์ตุมหาภายในกรุงเทพมีแม่งอ้อแม่พ่วงแม่เล็กเป็นต้นและถ้าหลายคนว่าหลายร้อยคนดีกว่านํามาค้องทะเลขึ้นมาถวายเพื่อนเครื่องกระป๋องก็มีเครื่องปลาก็มีน้ําปลากะปิก็นํามา แล้วแถมยังมีเสื้อผ่าเป็นจานวนมากเป็นการบรรเทาความทุกข์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่รับความตกยากได้เป็นอย่างดีในจริยาในการสงเคราะห์ อ, อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทห้งพ่อปานไม่ได้ยับยัง้งหลังจากถูกบางฟังคนั้นมาแล้วทำใหญ่ไม่ใช่ทำเล็ก ทำประเภทไม่อันการก่อสร้างสร้างคราวสามสี่วัดพร้อมๆกันและสำหรับจริยาวัดนั้นก็สร้างสอนพระทุกๆสิบห้าวันคือวันกลางเดือนในวันโกนของวันกลางเดือนกับวันโกณของวันสิ้นเดือนลุง <c oughs> พ่อปานจะต้องประชุมพระแนะนำวิธีปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย แล้วก็คุยเรื่องคำคำคงขันขันในการปฏิบัติของท่านให้ได้รับทราบเพื่อบรรดาพวกเราเราพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทของท่านได้รับทราบปฏิบัติการปฏิบัติของท่านที่ทำมา็ดีและรีลาขอออาจารย์ทั้งหลายก็ดีและอุปสรรคในการปฏิบัติเ่อกรรมฐ า, านมิปัสนกรรมฐ า, านก็ดี หรือวิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดได้ง่ายก็ดีประเภทนี้ของพ่อปานมีความฉลาดมาก <c oughs> นี่ตามในทัศนะของอาตมาจริงะเห็นได้ว่าพวกเราหลายองค์ด้วยกันเป็นคนมีนิสัยโลดโผนอยากจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรมอย่างนี้เป็นต้น หลวงพ่อไปก็พยายามนำเรื่องทังหลายเหล่านี้มาคุยให้ฟังว่ามันมีจริงแล้วก็พยายามแนะนำวิธีปฏิบัติในทางรัดๆให้เข้าถึงได้ไง่ายๆวิธีพิธีกรรปฏิบัตินี่ก็ไม่มีอะไรบันดาท่านธุทธบริษัทถ้าเราเป็นคนชนะใจแล้วมันก็ไม่ยากเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า เราที่ไม่สามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาได้ก็เพราะอาศัยเราเป็นคนแพ้ใจดูว่าใจของเราเป็นผู้แพ้นิวรณิบรรดาทั้งพุทธบริษัทมันจึงไม่เห็นเมื่อนิวร์มันมีสภาพเหมืนอนโครนสกรปรกมากใจมีสภาพเหมือนแก้วใส เมื่อมีคนตมเข้าไปเปิดแปดเพื่อนเราก็ไม่สามารถเจลแก้วใสมาทำแม่ตาส่องเห็นทางได้ชั้นใดอารมณ์ใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าอารมณ์ใจของเรายังครบนิวรณ์ห้าเบรคการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราก็ไม่สามารถจะติดตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูได้นี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพทธบริษัททั้งหลาย นเป็นเรื่องของความจริงหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงชนะนิวรณ์ห้าประการได้เมื่อไร่เรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนรกสวรรค์หรือพุทธมรรคหรือว่าคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมัรสซาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่ของแปลกสมรับบรรดาท่านพุทธบริษัทน <c oughs> ุมพ่อปานท่านมีความเยียนหลด มักจะสอนแบบคุยคุยธรรมดาธรรมดาซึ่งบรรดาลกูกศิษย์ลุกหาไม่มีเวลาเครียดอาการเครียดไม่มีก็ตั้งใจรับฟังได้ดดีนี่จัดว่าเป็นความเฉลี่ยของพระในสมัยนั้นที่เป็นคณาจารย์ใหญ่ <c oughs> โดยเฉพาะ อ, อย่างยิง่งหลวงพ่อปานที่มีเสียงโด่งดังมากมายองค์หนึ่งซึ่่อแต่มาจะไม่พูดว่าโด่งดังมากกว่าองค์อื่น เวลานั้นพระนาคาาจารย์ที่มีความสมรรถภาพคือมีสามความสามารถดีมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมีมากท่านดดวยกันไม่ใช่จะมีแต่หลวงพ่อปานองค์เดียวแต่ถ้าว่าพระสมัยนั้นรู้สึกว่าท่านมีความดีเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> ถึงแม้ว่าท่านจะดีเพียงใดก็ตามที ท่านไม่เคยอวดดีเรือเบ่งดีมีแต่เพียง ว, ว่ามาเห็นใครเขาดีทั้พาลูกศิษย์หาไปหาให้เรียนต่อขอความรู้ที่เป็นเกิดความรู้ <c oughs> หรืว่าความรู้ที่เป็นหลักที่ท่านไม่สามารถจะสอนให้เข้าถึงจุดก้อละเอียดจุดหมายปลายทางได้ต่างคนต่างส่งลูกศิษย์ไปต่างคนต่างพาลูกศิษย์ไปสวนกันไปสวนกันมา แต่และองค์ก็ถือว่าตัวไม่ดีเท่าองค์นั้นเป็นอันว่าเวลานั้นหาพระอดดีไม่ได้มีแต่พระอดเหลว <c oughs> นี่ความไม่ประมาทในชีวิตของพระปานบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านทำทุกอย่างนั้นมันเป็นมหากรุนก็ทำบนไปส่วนสาธารณชนแช่ข้าวสารไปแจกกับคนจนเอาอาหารไปแจก เอาเสื้อผ้าไปแจกเนี่ยมันเป็นส่วนสาธารณะถ้าเราแยาเปรียบเทียบกับการให้ประเภทนี้มันมีความดีคล้ายๆกับถวายสงฆทานแต่ว่าอย่าตีราคาให้เสมอเลยบรรดาท่านทุตบ ร, ริษัตพราะสงฆทานเป็นทานที่หมายเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานและมีพระอริยสงฆ์เป็นแนวรับ มีการที่เราให้กับคนบางบางทีคนที่รับก็เป็นคนที่มีศีลไม่บริสุทธิ์อา น, นิสงส์มันก็น้อยลงไปหน่อยแต่ถึงจะน้อยประการใดก็ตามทีบุญบารมีประเภทนี้สามารถจะสงผลให้เราเข้าถึงอมตะมหาปรินิพานได้ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราตายไปในชาติปัจจุบัน ทางที่เราจะพึงได้ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงสเตวโลกตัวอย่างท่านอังกุละเทพบุตรให้ทายกับคนภายนอกพระพุทธศาสนาเพราะว่าเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มี <c oughs> ให้ทางอย่างนี้อยู่เป็นการนานแปลกฏว่ามาตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดบนเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเวโลก <c oughs> แต่ว่าสภาพร่างกายผ่องใสไม่พอมีสัปดาห์ไม่เสมอกับเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเขินชื่อว่าเทวดาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาท้ายแถวก็ยังดีกับคนต้นแถวเพราะไม่มีแก่ไม่มีหิวไม่มีกระหายไม่มีความร้อนไม่มีความหนาวไม่มีการป่วยไข้ไม่สบาย ยังมีก็เพียงแตว่าเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ตายจากความเป็นเทวดาเท่านั้นฉะนั้นอตาตมาจึงถือว่าถึงแม้ว่าการบำเพ็ญกุศลและขันจะบุคคลภายนอกพระพุทธศาสนาหรือว่าคนอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง <c oughs> อย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นคนภายนอกพระพุทธศาสนา การบำเพ็ญกุศลด้วยมีผลน้อยแต่ถ้าว่าถ้าเราทำบ่อยๆมันก็มากเหมือนกันฉะนั้นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมรารยาภพเงินในชาตินี้เราก็จะมีคนรักมากคนที่ให้ย่อมเป็นที่รักของคนผู้รับ ถ้าเรามีความคนรักมากเพียงใดเราก็สบายใจเพียงนั้นทั้งนี้ พ, พ่อไหร่พูว่าการจะไปทางไหนก็มีแต่คนไหวมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนชอบคนรักอันตรายมันก็ไม่มีการเดินทางไปจะตกลถตกเรือจะหิวตายไปในระหว่างทางไม่มีสำหรับคนประเภทนี้นีรบรรดาท่านพุทธบริษัท ถึงแม้ว่าความดีประเภทนี้จะเป็นความดีเล็กๆจัดว่าเป็นบุญเด็เดๆ ก, ก็ควรจะรับฟังเข้าไว้เราบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายตอนนี้พูดถึงเรื่องพ่อปานยังไม่ได้เพราะมองดูเทปที่บันทึกแม่งใกล้จะหมดลงไปเต็มทีเกรงว่าถ้าพูดต่อไปแล้วเรื่องเราจะไม่ทันจะเข้าที่เทปหมด ก็จะสร้างความนำนำขใใันใจแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฉะนั้นนับตั้แต่นี้ไปไปเดี๋ยวพักคอสักหน่อยอยะได้กลับหน้าเทพในระหว่างที่กลับหน้าเทพนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังดนตรีเพื่อเป็นการคั้นเวลาสักเล็กน้อยก็แล้วกัน <Marvel> THE END Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.